ข้ า, ว, าว่าความรู้ยังมีอยู่ถ้าไม่มีก็ให้มันเห็นทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ดับไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทำไมยังอยู่อยู่ในโลกสาวกอรหันอรหันท่านบําเพ็ญได้บรรลุธรรมอะไรๆสิ้นสุดดับศูนไปหมดภายในจิตใจแต่ทําไมคําว่าบริสุทธิ์ถึงไม่ดับเหตุใดที่นี้เราทั้งทึงจะมาดับทั้งจิตของเราด้วยหาความบริสุทธิ์ไม่เจอเลยเพราะด้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 หรือเราเป็นทุกข์เพราะการสู้กับวิเลศผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขอย่างไม่คาดหม่ฝันเราต้องเชื่อเสียงเหตุผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สอบแสวงหาเหตุกอควรตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของกิเลศจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามต่อสอง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 การระงับการแก้ไขาการเพื่ออบายปัญญาคือหนักบ้างเบาบ้างคุกบ้างลําบากขนาดไหนก็ตา่างอเมยอมสู้เพื่อให้จิตในค้นจากไทยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประเกรื่ที่ไม่ดีนั้นไม่ได้รับความติดขึ้นมาโดยนั้น เ, ร, เราต้องยอมเราต้องสู้ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้น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 ท่านลมแดกเคือยยังไม่สามารถอ้าวเราปล่อยไปยครัเมื่อมันหนักพามันจริงเราก็ปล่อยอันลมไปตามก่อนแต่หาทางที่จะแก้ไขมันอยูอ่เสมอวิภานจิตใจเพราะกำลังเรายังไม่พอจะไม่จะไม่ปล่อยก็จะสู้เขาได้ยังไงก็ต้องยอมก่อนอความทำความเข้าใจเอาไว้แล้วค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆฝึกเข้าไปเรื่อย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 พอทนได้เราก็ต้องทนโลกนี้ไม่ใช่โลกสุขล้วนๆมันมีทุกข์เจ้าปนอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วไม่ว่างานใดมันมีทุกข์เจ้าปนอยู่ด้วยกันทั้งนั้น่ะขึ้นชื่อว่าทํางานเนี้ยงานทางโลกก็ต้องมีทุกข์เพราะการทํางานงานทางธรรมก็ต้องมีทุกข์เพราะการทํางานจะอยู่เฉยๆให้มันให้มีทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เราทํางานอยู่ให้มัน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 ความคิด ต, ต่างๆที่เห็นว่าไม่เป็นประเด็น์หรือจะเป็นโทษแก่เราอบายปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเห่า น, นั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดัอย่างนี้ทุกขยอมรบับการทํา ง, งานต้องทุกข์ทุกข์เพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาด ท, ที่เราสู้สู้ได้ขนาดไหนเราสู้กันไปทากันไป าฟาฝืนกันไปบึกบึนกันไปสมกับเรายึดเข้าเหมาะสมกับผู้สะเกียจตะกายเพื่อความพ้นจากทุกเพื่อเพื่อความเห็นทุกมีเป็นทางเดินของนับกบ่าวท่านเคยสะเกียจตะกายมาแล้วก่อนที่ท่านจะหลุดพ้นวุน่นแ่กับ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 ในสิ่งที่เกี่ยวข้งองกบโกลนทราว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยลำดับลาดับลาดับเนี่ยสลัดออกได้โดยลำดับลำดับความสว่างรอบตัวปล่อยได้หมดทำโมปาดิโปจะหมายถึงอะไรถ้าไมหมายถึงจิต ด, ดวงที่สว่างรอบตัวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวพนเลยนีจะหมายถึงอะไรนี่แหละท่านเรียกว่าทมแท้ทมแท้ที่เป็นสมบัติแท้ของเราหมายถึงนี้เป็นสมบัติของเราแท้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 ใช้ที่จะแก้ความงงกับของเท่านั้นให้พิจารณากันเรียนตรงนี้เรียนทำอย่าไปเรียนที่อื่นให้มากมาแต่กองเพราะทุกอยู่ตรงนี้โทษไทยมาอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วคุณพลาดอันสำคัญทำคัญก็เกิดึที่นี่อัลล ะ, จจะห์ัลการแสดง์รรมมัติห์ฮิมัติุมห์ขว